อุพโตพัทธมิสกจักร้อยสีิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคน้ําอสจิสีเขียวเคลื่อนต้องอบัตสังคาที่เศตภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคและเพื่อความสุขน้ําอสจิสีเขียวและสีเหลืองเคลื่อนต้องอบัตสังคาที่เศต ภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขและเพื่อเป็นยาน้ำอสุจิสีเขียวสีเหลืองและสีแดงเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศตภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาและเพื่อเป็นทานน้ำอสุจิสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีขาวเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศต ภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาเพื่อเป็นทานและเพื่อเป็นบุญน้ําอสุจิสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีเหมือนเปรียงเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาเพื่อเป็นทานเพื่อเป็นบุญและเพื่อบูชายัน น้ำอสุกิสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีแดงสีเหมือนเปลียงและสีเหมือนน้ำท่าเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษพิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาเพื่อเป็นทานเพื่อเป็นบุญเพื่อบูชายันและเพื่อจะไปสวรรค์น้ำอสุกิสีเขียวสีเหลืองสีแดง สีขาวสีเหมือนเปลียงสีเหมือนน้ำท่าและสีเหมือนน้ำมันเคลื่อนต้องอบัดสังฆาทิเศษภิกสุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาเพื่อเป็นทานเพื่อเป็นบุญเพื่อบูชายันเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อสืบพันธ์น้ำอสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเหมือนเปลียงสีเหมือนน้ำท่า สีเหมือนน้ำมันและสีเหมือนนมสดเคลื่อนต้องอบัตสังฆาพิเศษพิสูจจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาเพื่อเป็นทานเพื่อเป็นบุญเพื่อบูชายัญเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อสืบพันธุ์และเพื่อทดลองน้ำอสิกิสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเหมือนเปียง สีเหมือนน้ำผ้าสีเหมือนน้ำมันสีเหมือนนมสดและสีเหมือนนมส้มเคลื่อนต้องบัดสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาเพื่อเป็นทานเพื่อเป็นบุญเพื่อบูชายันเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อสืบพันธุ์เพื่อทดลองและเพื่อความสนุกน้ำอสกิสีเขียวสีเหลืองสีแดง สีขาวสีเหมือนเปลียงสีเหมือนน้ำท่าสีเหมือนน้ำมันสีเหมือนนมสดสีเหมือนนมส้มและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอบัตสังคาที่เศตปุพพโตพัทธมิสกะจักจบ